อันนะัจะเข้าเรื่องคําว่าปาติโมกของเราคืนเมื่อกี้นี้กล่าวตามคมภีวิพังเพื่อให้เห็นความสําคัญของปาติโมกว่าในอภิธรรมปิดกชานวิพังในสิบวิพัง์ น, 10, งนี่มีสิปวิพัง์ชานวิพังเนี่ยค่อยๆไล่ตั้งแต่เรื่องศีลขึ้นมาเลยเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอภิธรรมก็ไม่ได้ล่วงเลยในเรื่องศีลนะไม่ได้ละเลยเลยตรงกันข้ามโอ้เอาจริงเอาจังในเรื่องศีลมากเนี่ยนะอันะปีดกสามนี้ แต่งโดยพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่ทําให้ขัดกันอย่างแน่นอนนะข้อความในสาระทีปณีดีกาพระวินัยปฐมปาราชิกกันพันนาปฐมปาราชิกอธิบายสิกขาบทที่หนึ่งเลยนะีสิกขาบทที่หนึ่งของพระพิสุมีอยู่ว่ามีอยู่ว่าไง อันหนึ่งภิกษุใดถึงพร้อมด้วยศิกขาและทําเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายแล้วไม่กล่าวคืนศิกขาไม่ได้ทําความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้งเพึงเศษเมทุนทาโดยที่สุดแม่ในดีรชานตัวเมียภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาตไม่ได้ขาดจากความเป็นพระเลยทีนี้ก็บอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดคือภิกษุเช่นใดมีมีศีลอย่างใดเป็นต้นเนี่ยนะแต่ก็เลยขยายถึงคาว่าศิขาศิขา มีสิกขาเช่นใดก็ขยายว่าสิกขามีสามนะอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาทีนี้ในสิกขาสามนั้นอธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขานั้นปาติโมกขสังวรศีลท่านเรียกว่าอาธิศีล น, นะปาติโมกเรียกว่าอาธิศีลปาติโมกนี้นะัเรียกว่าอาธิศีลเพราะอะไรสะแสดงว่า อธี t h ี s แปลว่ายิ่งสีนอันยิ่งถ้ามีสีนอันยิ่งก็แสดงว่ามีต่ำกว่านั้นใช่ไหมสีนที่ไม่ใช่สีนอันยิ่งคืออะไรคือสีห้าสีแปดสีสิบนี่ยังไม่ใช่เป็นสีธรรมดาทั่วไปเป็นสีแต่ถ้าปฏิโมขสังวรเป็นอธิศีนเนี่ยนะ ปฏิโมขังวรศีนั้นเป็นศีลที่ยิ่งและสูงสุดกว่าบรรดาโลกียศีลทั้งหลายเห็นไหมเพราะฉะนั้นคําว่าสูงสุดกว่าบรรดาโลกียศีลทั้งหมดดุจพระอาทิตย์ยิ่งกว่าแสงสว่างของแสงสว่างทั้งหลายเห็นไหมในบรรดาแสงสว่างทุกชนิดแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์สว่างที่สุดในบรรดาศีลทั้งหมด ปาติโมคัสังวรศีลสูงสุดนั่นนะหรือว่าดุดภูเขาสินเนรุสูงกว่าบรรพทศทั้งหลายฉะนั้นย่อมเป็นไปได้เฉพาะในพุทธบาตรการเท่านั้นนอกพุทธบาตการหาได้ไม่ในสมัยไหนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าสมัยนั้นจะไม่มีปาติโมคขสังวรศีลจึงอยู่แม่แต่ว่านอกพุทธบาตการพระประเจคพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในปาติโมคขสังวรศีล แต่ท่านเหล่านั้นไม่สามารถบัญญัติเอาปาฏิโมกข์เหล่านี้มากระจายมาขยายได้แต่ว่าท่านสามารถรักษาปาฏิโมกข์ขังวรศีลโดยปกติอัตโนมัติเนี่ยนะโดยบุญเก่าที่ท่านสะสมมาท่านสามารถปฏิบัติได้แต่ไม่สามารถแนะนําสั่งสอนเปิดเผยให้ผู้ใดผู้หนึ่งศึกษาได้เพราะฉะนั้นปาฏิโมกขสังวรมีในพุทธบารทการเท่านั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ใดไม่ยินดีในปาฏิโมกขสังวรศีล ก็แสดงว่าไม่ยินดีพุทธุปาธการไม่ยินดีการมีแห่งพระพุทธศาสนาถามว่ายุคนี้ยังเรียกว่าพุทธุปาธการไหมพุทธพุทธะบวกอุปาทะกาละาพุทธะอุปาทะกาละการเป็นที่เกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยทุกวันนี้ยังเรียกว่าพุทธุปาธการไหมยัยงเรียกไหมเรียกนะเพราะอะไรเพราะว่าสมัยนี้ ยังมีคาสอนของพระผู้มีพระภาคคาสอนของพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงตายแห่งพระองค์เพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยยังอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็นับว่ายังอยู่สมัยแห่งพุทธะยังอยู่อย่างน้อยที่สุดก็สาวกอะไรนะสุตตะพุทธะนะพุทธะแปลว่ารู้อะไรนะพุทธะนี่รู้อะไร เออ ถ, นะถ้าพุทธเจ้านะถ้าใช้คำว่าพุทธะเนี่ยนึกถึงอะไรไว้อัตถะของพุทธะนะรู้อริยสัจใช่ไหมรู้อริยสัจสีมีกี่ระดับมี่สีรสส่ระดับนะถ้าระดับพวกเราก็สุตะพุทธะรู้อริยสัจเหมือ น, นกันแต่ว่าผ่านหงมาสุตตะพุทธะ อย่างนี้เออนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณปุตตชนนะที่ได้สดับได้เรียนรู้ได้ศึกษาพระทำคำสอนนี่นะว่ามีบุญมากนะไม่ใช่อันทะเลยเนี่ยบอดสนิทเลยแย่ละแล้วต่อไปสาวกกับพุทธผู้ที่บรรลุโสดาบันเป็นต้นไปเรียกว่าสาวกพุทธอคือคําว่าพุทธ เ, เน้นอริยสัจนะเน้นไปที่อริยสัจสาวกกับพุทธรู้อริยสัจแบบภาษาวก ตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปแล้วก็พระปัเจ ก, กับพุทธะรู้อริยสัจด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถสอนผู้อื่นในเรื่องอริยสัจได้สัมาสัมพุทธะแทงตลอดอริยสัจด้วยพระองค์เองสามารถประกาศรอริยสัจให้สัตว์ทั้งหลายรู้ได้พระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าประกาศสัจจะไหมอ่ะ น, นะพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมนี้สงเคราะห์เป็นศึกขาสามใช่ไหม สิกขาสามนี่อยู่ในสัจจะไหนสิกขาสามอยู่ในสัจจะไหนสัจจะที่สี่คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ น, นะถ้าพูดถึงอริยสัจข้อที่สี่แล้วเนี่ยนะแสดงว่าสามแสดงว่ารู้แล้วนะสามรู้สองรู้หนึ 1, ่งรู้ทุกขสัจเนี่ยเออยกตัวอย่างพระพิสูจท่านบวชเข้ามาโอ้ท่านนี้มีชาติครอบงมแล้วมีชาราท่วมทับแล้วมีมรณะห้ามพัน นะมีมรณะห้ามหันโอทุกโทมานัตอุปายาตครอบงำกลุ่มรวมแล้วทํำยังไงเนาะทำที่สุดแห่งวัตถุทุกได้แสดงว่าเห็นภายในทุกแล้วใช่ไหมพุทศาสนาเนี่ยเป็นคําสอนเพื่อละตันห า, าผู้ศาสนาสอนเพื่อละตันหาตันหาซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกอันนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อนิพพานเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มีศิกขาสามเป็นต้นเพราวัน การศึกษาพระธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยนะพยายามมองไว้ที่อริยสัจอยู่เสมออย่างเช่นเราเรียนเรื่องสีเนี่ยอยู่ในสัจจะไหนเนี่ยนะเราจะได้มองภาพกว้างมองภาพย่อและกว้างออกถ้าเรียนวิสุทธิมรรคเนี่ยแสดงว่ากำลังเรียนทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอยู่หรือว่ากำลังเรียนมรรคอริยสัจอยู่เพราะศึกษาทางแห่งความหมดจดจาก สังสารทูปสังสารวัตรจากมนตินเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเขาบอกว่าด้วยด้วยว่าสัตว์อื่นเนี่ยนะไม่สามารถที่จะบัญญัติปาติโมกข์แต่งตั้งไว้ได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นทรงตัดกระแสทางแห่งความประพฤติเสียหายทางกายทวารวจีทวารได้เด็ดขาดกายทวารที่น่าตําหนิสําหรับพระผู้มีพระภาคไม่มีวจีทวารที่น่าตําหนิสําหรับพระผู้มีพระภาคไม่มี นะเพราะพระ อ, องค์ละได้โดยเด็ดขาดที่เรียกว่าวาสนาเนี่ยนะไอความเคยชินที่ไม่ดีนี่พระ อ, องค์ทรงละได้เด็ดขาดโดยประการทั้งปวงพระ อ, องค์นั้นจึงสมควรบัญญัติศีลสังวร น, นั้นอันสมควรแก่การล่วงละเมิดนั้นนั้นพระ อ, องค์นี้สามารถรู้ว่าเอออะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมในการบัญญัติธรรมวินัยของพระ อ, องค์การบัญญัติธรรมวินัยนั้นไม่ใช่วิสัยของภาษาว o ไม่ใช่วิสัยของพระปาเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจึงจักรู้ว่าการไหนเป็นการที่จะบัญญัติพระวินยัยการไหนที่จะบัญญัติหรือจะแสดงธรรมพระ อ, องค์นี่เป็นผู้รู้การแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะโอเหตุการณ์ธรรมดาแบบเราเรามองเอ้ยน่าจะบัญญัติปาราเชกเปลา่าทุกกฎไอเหตุการณ์ธรรมดาแบบเราเเนี่ยนะ พระ อ, องค์บอกบัญญัติปาราชิกนั้นพระองค์เนี่ยสามารถแยกแยะได้นะว่าแบบนี้โทษมากแบบนี้โทษน้อยเป็นต้นเพราะพระ อ, องค์นี่ไม่มีอคติแล้วถามว่าสิ่งที่พระ อ, องค์บัญญัติทั้งหมดเนี่ยนะเพื่ออะไรบัญญัติปาติโมกทั้งหมดเพื่ออะไรเดี๋ยวจะได้ฟังต่อไปว่าเหตุผลของปาติโมกแต่ถ้าวันก่อนเราเคยฟังเลยใช่ไหมว่าถ้าพระ อ, องค์บัญญัติสิขาบทอาศัยอํานาจประโยชน์10บประการแต่ทีนี้มาขยายคําว่าปาติโมกเลย น, นะในหน้า84สาราธีปนีดีกาพระวินัยภาคสองดีกานี้มีอยู่สีเล่มด้วยกันมีภาคหนึ่งภาค 2, ภาคสาภาค4นี่อยู่ในภาคที่2หน้า84กล่าวว่าคำว่าอันกุลบุตรพึงศึกษาเนี่ยนะคำว่าศิขานี่นะก็บอกว่าคำว่าอาธิศีและศิขามีวิเคราะห์ว่าศีนอันยิ่งคือสูงสุดเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาธิศี อธิศินนั้นด้วยเป็นสิกษาด้วยเพราะอันกุลบุตรพึงศึกษาเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาธิศินเหมือนั้นเพราะใน้นคําว่าสิกษาเพราะกุลบุตรพึงศึกษาเนี่ยนะถาว่าศึกษาเนี่ยคืออะไรท่านบอกเลยพึงเสพจนคุ้นจึงจะชื่อว่าศึกษาถ้าไม่คุ้นก็ยังไม่เรียกว่าศึกษาคําว่าสูงสุดเนี่ยนะคือวิเศษอันนี้ขยายตามสมันตาปาษาธิกา ดีการนี้อธิบายคัมภีสมันตะปาสาธิกาเมื่ออธิศินเป็นต้นมีอยู่แม้สินเป็นต้นก็ต้องมีท่านอาจารย์มนาศิการอุปมาเหมือนอย่างว่าท่านเรียกร่มหรือธงที่มีขนาดพิเศษโดยเทียบกันกันกบร่มหรือธงที่มีขนาดย่อมกว่าว่าอาติฉัตตังแปลว่าร่มที่ยิ่งอติทัชโโชธงธงที่ยิ่งฉันใดแม้ในที่นี้ก็มีอุปมาฉันนั้น อธิศีนจะพึงมีก็โดยเทียบเคียงกับศีนที่ไม่ยิ่งกว่าใช่ไหมถ้าเทียบอธิศีนก็แสดงว่าเทียบสีลที่หย่อนกว่านั้นอธิจิตและอธิปัญญาจะพึงมีก็โดยเทียบกับจิตและปัญญาที่ไม่ยิ่งกว่าเช่นเดียวกันแล้วประสงค์จะแสดงศีลเป็นต้นโดยสรุปจึงกล่าวคำเมียที่ว่าก็ในอธิการนี้ศีนเป็นไฉนะ ท่านไม่ได้ถือเอาศีลมีองค์แปดไว้แผนกหนึ่งเพราะอย่างลงภายในศีลมีองค์สิบนั่นเองจึงกล่าวเพียงคํานี้ว่าศีลมีองค์ห้ามีองค์สิบดังนี้เท่านั้นนะศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลเหล่านี้เรียกว่าศีลถ้าปาติโมขะสังวรเรียกว่าอาทิศีลคําว่าปาติโมขสังวรศีลเนี่ยนะได้แก่ศีลคือสิกขาบทอันนับเนื่องอยู่ในพระวินัยปิฎกมีสองอย่าง คือพิขุปาติโมกและพิกุนีปาติโมกจริงอยู่ศีลคือสิกขาบทนั้นเรียกว่าปาติโมกเพราะยังบุคคลผู้รักษาคือคุ้มครองศีลนั้นให้พ้นคือให้หลุดพ้นไปจากทุก์มีทุกอันเป็นไปในอบายเป็นต้นนะถ้ารักษาศีลตามนั้นได้ก็จะพ้นจากทุกทั้งหลายทุกคืออบายและก็ทุกจากสังสารทุกด้วยนะ ถ้ารักษาศีลดีเนี่ยศีลเป็นเบื้องบาทแห่งโลกุตระกุศนใช่ไหมถ้าโลกุตระกุศนเกิดขึ้นก็พ้นจากวัตถุทุกพ้นจากสังสารทุกด้วยเพราะฉะนั้นคําว่าปาติโมกก็คือยังบุคคลผู้รักษาเนี่ยให้พ้นจากทุกเหนั้นเลยคว่าทุกทุกชนิดนะถ้ารักษาศีนตามนี้แล้วพ้นทุกแน่นอนต่อไป คำว่าสังวรสำรวมเนี่ยนะชื่อว่าสังวรได้แก่ความไม่ล่วงละเมิดทางกายและวาจาคือปิดนะนะปิดไว้ไม่ให้ล่วงละเมิดมาทางกายทางวาจาเนี่ยคือคำว่าสังวรนะดูเอกสารประกอบไปด้วยนะเอกสารที่แจกไปอธิบายตามเอกสารสังวรคือปาติโมกชื่อว่าปาติโมกขะสังวรสังวรนั้นนั่นแหละชื่อว่าศีลด้วยอัฐะว่าศีละนะ สัรวมตัวนั้นเนี่ยนะวงเล็บไว้หน่อยว่าสีละนะเขาแปลออกเลยเจนพรเห็นไหมข้างบนย่อความข้างบนย่อความที่สองอันนั้านเขาบอกว่าสังวรคือปาติโมกชื่อว่าปาติโมกค่สังวรสังวรนั้นนั่นแหละชื่อว่าสีล้วยอัววว่าววต น, น, น, า ะ, น ะ, ะตรงตรงของเขาคือตัวสีละนะนะแต่ว่าท่านอาจารย์ที่แปลท่านแปลออกเลย ซึ่งอย่าลืมว่าสิบท่านก็แปล1ิบอย่างเหมือนกันสีรณะอันนี้สีรณะเถเนี่ยนะสีะีสเถเนี่ยก็คืออัดว่าสีรณะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าปาติโมขสังวรศีสีรณะมีความหมายว่าอย่างไงสีรณะก็คือสมาทานังตั้งไว้ด้วยดีกับอุปธานังรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นสำรวมตัวนี้หมายถึงสีลณะนะ เพานะั้นสีรนาดอนั้นเวลาอธิบายต้องอธิบายเป็นสมานานังกับอุปธานาังนี่ถ้าแปลออกมาเนี่ยบางทีเราติดตามเรื่องยากเหมือนกันนะอีกนัยยะหนึ่งปูตุชนชื่อว่าปาตีปาติโมกเนี่ยนะก็คือขยายแยกศัพท์มาปาตีนะปาติเนี่ยนะก็บอกว่าปูตุชนนี่ชื่อว่าปาตีแปลว่าผู้มีอันตกไปเป็นปกติคำว่างั้น ผู้มีอันตกไปเป็นปกติมั้งนั้นเพราะอธิว่าเอาเป็นผู้มีอันตกไปในอบายทั้งหลาย<ม>ก็บอกว่าผู้มีอันตกไปในอบายทั้งหลายหรือว่ามีปกติตกไปในอบายทั้งหลายมากครั้งนะเพราะอะไรเพราะความที่การทําบาปเนี่ยทําได้ง่ายขอมาไม่อ่านตามนั้นทั้งหมดนะข้อความไหนที่แปลไม่ดีมายังไม่อ่าน น, นั้น จะอ่านอัดที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะนั้นคาว่าปาตีเนี่ยผู้มีอันตกไปก็คือมีความหมายว่ามีปกติตกไปในอบายทั้งหลายมากครั้งแต่คำบีนี้แปลว่าบางครั้งที่จริงแล้วมากครั้งอะ่ะ น, นั่นไอ้ปาตีหรือปุตุชนเนี่ยมีปกติตกไปในอบายบ่อยเพราะงั้นเเพราะความที่กระทำบาปได้ง่ายถามทำไมเขาจึงไปอบายบ่อยโอ้บาปง่ายเหลือเกินเนี่ยนะถ้าจะพูดชั่วสักคำนี่ยากห เขาบอกว่าความชั่วคนชั oh ่วทํา like ง <um ่ายคนดีทํายากเขาว่าไงเพราะว่าปุถุชนนี่ทําชั่วได้ง่ายทําชั่วได้บ่อยทําชั่วได้มากว่างั้นอันนั้นหนึ่งทำบาปง่ายสองและเพราะความที่ทําบุญได้ยากโอ้ยกว่าจะจิตเป็นกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ยากนะนันะฐานกุศลอันนัเจตนาศีลเกิดบ่อยไหมเจตสิกศีลเกิดบ่อยไหมสังวรศีลเกิดบ่อยไหมอวิติกามศีลเกิดบ่อยไหมนั่นแหละดีทํายากแบบนั้นแหละ แล้วก็เพราะ3มเนี่ยนะเพราะกิเลสมีกําลังเนี่ยความหมายที่บอกว่าปาตีเนี่ยนะผู้มีปกติตกไปในอบายเนี่ยถามว่าทําไมเขาจึงมีปกติตกไปในอบายบ่อยๆเหลือเกินโอ้ยเขาทำบาปง่ายๆนะทำดีก็อยากกิเลสก็มีกําลังในปุตชนนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เลยชื่อว่าปาตีหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะชื่อว่าปาตีเพราะอดว่า ถูกกำลังกรรมซัดขึ้นไปในภพน้อยภพใหญ่นะก็รีกว่ากรรมเนี่ยนะมันซัดใไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ปาตีก็คือพวกปุตุชนนั่นนะนะปุตตชนเนี่ยถูกกำลังกรรมเนี่ยซัดไปในภพน้อยภพใหญ่เพราะนะหรือว่าด้วยตัวนั้นเนี่ยแปลว่าเพราะความเป็นสภาพไม่เที่ยงมีอันไปโดยปกติคือมีใครอยู่เหมือนเดิมไหยไม่อยู่ในเหมือนเดิมเนี่ย เพราะความไม่จีรังยั่งยืนความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเลยก็ต้องมีอันไปเป็นปกติบ้างันแล้วก็เพราะหมุนเวียนไปโดยไม่มีการตั้งลงเหมือนเครื่องยนต์ฉุดน้ำอ่านะ เ, าเครื่องยนต์ฉุดน้ำเรียกอะไรนะผู้การที่ดูที่คอมเมนต์นะรหัตน้ําอ่ะไม่หยุดอยู่อย่างงั้นแหละปุตุิชนเนี่ยไม่หยุดนะจะหมุนแบบนั้นตลอดเลยนะนะหรือบางทีเขาบอกว่าเหมือนกับ เครื่องยนต์ปั้นหม้อเครื่องปั้นหม้อของช่างหม้อเขาบอกว่าปุตุชนเนี่ยเป็นแบบนั้นน่ะกรรมเนี่ยมันซัดไปแบบนี้แหละตลอดงนั้นอยู่สภาพเดิมไม่ได้ <c oughs> นนหรือว่าเรือที่อยู่ท่ามกลางมาหาสมุทรที่ไม่มีทิศทางอะไรสักอย่างเลยนะบังคับไม่ได้ก็ลมแล้วแต่ลมจะพาไปเหแบบนั้นอันนี้เพราะฉะนั้นคําว่าปาตีเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาตีก็ ปาตีในที่นี้เพราะอาจว่ามีความตกไปในมีความตกไปแห่งอัตภาพในหมูสัตว์นั้นๆด้วยอำนาจความตายเป็นปกติก็คือตายแล้วไปเกิดเป็นหมูสัตว์ต่างๆเนี่ยนะได้แก่สันดานของสัตว์หรือจิตนั่นเองนะจิตแต่สันดานน่นนะสันตะสันดานก็คือสัตว์ทั้งหลทั้งหลายนั่นแหละหรือว่าจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นตกไปในอัตภาพตลอดเลยนะเกิดใหม่ไปเรื่อยนะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสันดาลหรือจิตเนี่ยนะทำให้ตกไปสู่นิกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหมูสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเลยนะจิตนี้มันเป็นอย่างนี้แหละจริงอยู่สัตว์เรียกว่าผู้หลุดพ้นแล้วก็เพราะความหลุดพ้นแห่งจิตนะสัตว์เนี่ยนะถ้าจะหลุดพ้นจริงๆก็หลุดพ้นเพราะจิตใช่ไหมปาร์ติโมงเนี่ยทำให้สัตว์หลุดพ้นน่ะ เพราะฉะนั้นสัตว์เรียกว่าหลุดพ้นแล้วก็เพราะความหลุดพ้นแห่งจิตข้อนี้สมด้วยพระบาลีที่ตรัสไว้ว่าจิตตะโวธานาวิสุชติสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธ์เพราะความผ่องแผวแห่งจิตนะนะย่อมบริสุทธ์เพราะความผ่องแผ่แห่งจิตเนี่ยนะควรที่จะวงเล็บไว้คำหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายด้วยสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะความผ่องแผ่แห่งจิตและ ว่าอนุปาทายาอาสวะิจิตตังมิมุตตังจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นเนี่ยนะเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นไปในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นคําว่าปาติโมกเนี่ยนะศีลที่ชื่อว่าปาติโมกเนี่ยนะเพราะอัจว่ายังสัตว์ชื่อว่าปาตีนั่นแหละให้พ้นจากสังสารทุกเนี่ย น, นะคำว่าปาติโมกนะ ว่าสัตว์ที่มีปกติเป็นตายในอาบายหรือว่าถูกกรรมเนี่ยสัตว์ไปหรือว่ามีความตายเป็นปกติเนี่ยศีลชื่อว่าปาติโมกเพราะยังปาตีคือสัตว์เหล่านี้เนี่ยให้พ้นจากสังสารทุกข์ถามว่าให้พ้นได้ยังไงเมื่อสัตว์ทั้งหลายอยู่ในศีลปาติโมกศีลอย่างนี้ก็จิตย่อมบริสุทธิ์ผ่องแผ้วหรือว่าจิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเนี่ยนะโดยที่มีปาติโมกนี้เป็น เบื้องบาทเป็นบาทฐานทําให้บริสุทธิ์หมดจดเหล่านั้นได้เห็นไหมอีกอย่างหนึง่งชื่อว่าปาตีพระอธิวาตกไปคือไปอยู่คือเป็นไปในสงสารว่างั้นแหะด้วยเหตุมีอวิชาเป็นต้นนะคำว่าปาตีเนี่ยถามว่าพวกไหนชื่อว่าปาตีก็พวกเรานี่แหละชื่อว่าปาตีแหะเขาบอกว่าผู้ตกไปตกไปในสงสารมีอวิชาเป็นต้น ข้อนี้สมด้วยพระบาลีที่ตรัสไว้ว่าอาวิชานิวรนานางสัตตานังตันห้าสังโยชนานางสันทาวิตังสังสังสริตังเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นที่กางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เพราะฉะนั้นคําว่าปาตีก็คือผู้ตกไปในสงสารเพราะอาวิชชาและตันหาใช่ไหมอวิชชานั้นเป็น เรื่องการกั้นตันหาเป็นเครื่องประกอบก็เลยท่องเที่ยวไปอย่างนี้แหละนี่แหละพวกปาตีทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละศีลชื่อว่าปาติโมกเพราะอัดว่าเป็นเหตุยังสัตว์ชื่อว่าปาตีให้พ้นจากสังกิเลธทั้งสามมีตันหาเป็นต้นนะถ้ามีปาติโมกปาตีเหล่านี้จะพ้นจากกิเลสนะพวกปาตีทั้งหลายโอ้อามากับปาตีเหมือนกันถ้าไม่มีปาติโมกจะแย่เลยอ นะท่นปาติโมกเนี่ยโมกขะนี่แปลว่าพ้นนะคือทําปาตีเนี่ยให้พ้นพ้นจากสังกิเลสคือตัณหาทิฏฐิทุจริตเป็นต้นเนี่ยปาตีนี่แหละจะทําให้พ้นได้ไอปาติโมกนะแต่ถ้าปาตีเนี่ยแหละทำให้ใครพ้นทําให้พวกปาตีทั้งหลายเนี่ยพ้นปาตีก็คือผู้ตกไปสู่สงสารเป็นปกติว่างั้นเลยผู้มีปกติไปในสงสารเพราะว่าอวิชชานี้กลางกั้นตัณหาก็ประกอบเอาไว้ อีกอย่างหนึ่งจิตชื่อว่าปาติาไม่ใช่ปาตีแล้วนะปาติแล้ว <c oughs> เพราะอัจว่าทำให้ตกไปคือให้ตกไปในทุกข์ทั้งหลายาจากนี้เอาใหม่นะแกเป็นในคือตกพินาศไปในทุกข์ทั้งหลายนะเขาจิตนี่แหละชื่อว่าปาติแหละเพราะจิตนี่ทำให้ตกตกไปในทุกขข้อนี้สมด้วยพระบาลีที่ตรัสไว้ว่าจิตเตณียติโลกู โลกถูกจิตนำไปจิตเตนะปริกสติโลกย่อมถูกจิตลากไปท่านบอกว่าเสือกสาลากไปเลยนะโอยถ้าพูดคำว่าลากนี่เคยเห็นไอ้แม่ลากเด็กๆกันนะเด็กๆนะบางคนร้องกระจององแงเนี่ยแม่ลากแขนเอาไว้เลยนะฉุดไปเลยแบบนั้นไหนนะเพราะฉะนั้นไอ้สัตว์โลกเนี่ยถูกจิตเนี่ยลากแบบนี้แหละไป พวกเราเนี่ยแหละถูกจิตลากไปถูกจิตนําไปเนี่ยนะไปไปตามแล้วแต่จิตจะบอกไงจิตบอกเอางี้ที่โอ้ไปอย่างนี้ขยันนะครับถ้าหากว่าไม่นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสาวกของจิตะนะเมื่อไรมีคําสอนก็คอยยังช่วนหน่อยถ้าลืมคําสอนเมื่อไหรมก็เป็นสาวกของจิตแล้วแต่พญาจิตตราชจะพาไปแล้วเพราะฉะนั้นศีลชื่อว่าปาติโมกเพราะอัดว่าเป็นเครื่องยังจิตชื่อว่าปาตินั้นให้หลุดพ้นอ ปาฏิโมกขสังวรจินสังวรศีนเนี่ยนะเป็นตัวที่ทําให้จิตหลุดพ้นนะถ้าหากว่าไม่มีปาติโมกเนี่ยจิตไม่หลุดพ้นเด็ดขาดเลยคุณปาตินี่ไม่ตกเลยไม่พ้นแน่อีกอย่างหนึ่งสังกิเลสคือตันหาชื่อว่าปาติะสังกิเลตนี้แปลว่าเครื่องเศร้าหมองเนี่ยนะเครื่องเศร้าหมองคือตันหาชื่อว่าปาติเพราะอาจว่าเป็นเหตุให้ตกไปในอบาย ยาทุกและสังสารทุกขเนี่ยนะไอตัวตัวปาติตัวนี้นี่แหละคือตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเหตุให้ตกไปในอบายาทุกข์และสังสารทุกขอบายมีกี่อย่างนะอบายนี้แปลว่าไม่เจริญอะ่ะไม่เจริญหรือไม่ไม่ดีนี่มีอยู่สี่อย่างคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานถ้าสังสาระนี้ สังสาระนี้อมความถึงไหนสังสาระเนี่ยนะกามาวจรูรปาวจรอรูปาวจรก็เรียกว่าสังสาระทั้งหมดเพราะคําว่าสังสาระมีอัตถะว่าสังสาระเนี่ยนะคือคื อ, ค, อความเป็นไปโดยลําดับแห่งขันธาตุอายตนะเนี่ยนะสืบเนื่องไปขณะไหนมัง่งชีวิตเราไม่เป็นสังสารวัตรสังสาระตลอดสังสาระนี้มีภัยไหมเนีย่ยนะ ถ้าเห็นภัยนี่ก็แสดงว่าเห็นค่าของคําสอนเยอะแล้วแสดงว่าใกล้จะปลอดภัยแล้วเออถ้ารู้ว่ามีภัยนี่แสดงว่าต้องการหาหาที่พ้นภัยใช่ไหมแสดงว่าเดินใกล้าทางแล้วล่ะอ่าเป็นมารเป็นบ่วงแห่งมารข้อนี้สมด้วยพระบาลีที่ตรัสไปว่าตันหาชเนติบุริสังตันหายังบุรุษให้เกิดและว่า ตันหาทุติโยปุริโสบุรุษมีตันหาเป็นเพื่อนสองดังนี้เพราะฉะนั้นศีลชื่อว่าปาติโมกเพราะอาธิษาว่าเป็นเหตุทําให้พ้นจากสังกิเลสคือตันหาอันชื่อว่าปาตินั้นเห็นไหมโอ้ปาติโมกนี่ดีนะถ้าใครอยากพ้นจากสังกิเลสคือตันหาเป็นต้นเนี่ยนะก็นี่แหละอาศัยศีลปาติโมกขัสังวรศีล น, นี่แหละจึงจะช่วยให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ตันหาอยู่ที่ใจเนี่ยมันน่าจะละง่ายๆนะปลาหรอก ละไม่ง่ายเล ย, ยนะนะมันอย่างเหนียวนะมันเยื่อใยมันอะไรมันสิเนหาอยู่นั่นแหละถ้าไม่มีกุศลศีลเข้ามาช่วยแล้วโหอย่าวังเลย